30 นาทีต่อไปนี้สำนักงาน กพส. มอบ 80 ล้านสา 5 ธันวาคม ร่วมเทิดทายองค์วรการปลายฟ้าฟ้าเป็นชื่อ ช่วยมีชีวิตครอบครัวที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมรักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้เข้มแข็งมีชีวิต ต่อไปนี้ขอ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด หมอก 18 ความ ดวงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปว่าควรประชุม จัดวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยประชาคมครั้งที่เม 2 เมื่อไหร่เนี่ยกว่าทัน อย่าหาว่าไม่ให้เพราะจุดหมายในการต่อต้านยาเสพติดของเราเหมือนกันร่วม แค่การสอนมีหวังขาสั้นหงอแงไม่รู้จะแก้ยังไง ต้องไปประชุมที่โรงเรียนค่ะไม่รู้สักกระเมื่อไหร่ไม่ คุณครับผมรู้ ว่าอยากจะประสานงานเรื่องนี้กับผมมั้ย คุณคณะกรรมการทุกเสพบัญชี ที่เราจะทําการคัดเอ้ยคัดแยกได้ เราจะใช้วิธีให้กรรมการแต่ละคนเขียนรายแต่ เพื่อเราจะได้จะเก็บเรื่องที่ประชุมในวันนี้การตามแนวทางสันติ เราต้องเชื่อมั่นในเกียรติแล้วที่จริงอะกันและกันนะครับไม่งั้นฮะจดชื่อไอ้นพ เราก็จะปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการขอเข้า อ่าเขียนไม่เป็นนะผู้ใหญ่เอา ก็เอ็งไปทําลายไม่มีเลยเตียแล้วแกะคําขวัญที่พวกมันติดเอา คือลมก็จะสงบผิดปกตินะเอาอย่างงี้ดีมั้ยผม ไปหาทางสืบให้ได้ก็แล้วอืมแล้วอย่าลืมเรื่องขายยาเพิ่มให้ คนน่ะกรรมกรชุมชนเข้มแข็งอ่ะก็ ทลายกำแพงใจ 8 อย่าปิดกั้นความสามารถของพวกเขาเพียงเพราะเขาเคย เพื่อนให้โอกาสเพื่อนเสมอให้โอกาสเพื่อนเสมอสำนักงาน มันแปลว่าอะไรวะนังอ้อยฉันไม่มีความรู้ น้องอ่ะตอบให้พี่จอร์จชื่นใจดีกว่าว่าพวกนั้นน่ะเขาประชุม เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันวันนี้พี่<ไป> ฝ่ายไหนกลิ่นหอมฟุ้งมาแต่ไกลๆเอ๊ะ เปี๊ยกเปี๊ยกมณีสิมีตัวอะไรหลุดเข้ามาในอนามัยของเราเนี่ยโถ่ คือแขะเรียกว่าแมงกระจั้วน่ะสิในกงจั้วน่ะตอนเด็ก เพราะพี่ เดี๋ยวจะต้องพาชั้นมหาครูใหญ่ด้วยเลยนี่อ่าเตี่ย พี่เอกคุณกัญชริกามาพบผมมีธุระอะไรเหรอครับอ้าของไม่มี พอจะมีเวลาว่างมั้ยอ่ะครับผมจะช่วง เผ่าวังหน้าก็จะได้สบายหลังมีอะไรเกี่ยวข้องดองกังอ่า ได้เป็นเชิญครับคุณกัน รถผงดีกว่าครูใหญ่แอยังนั่งสบายมีคนขับพร้อม ขอบคุณค่ะครูเจนะครับน้องมีอยากที่เห็นมั้ย อืมแต่จะมีใคร ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพ สำนักงาน ป้.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 และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนัฏฐานาษาควบคุมเสียงอาทรภาธิภัทรนะดินดา